ตั้งกาให้ตรงตรงเป๊ะเลยวางมือให้พอดีอย่ามือไปห้ อ, อยไปข้างหน้าชีวิตเราเพียงฝึก ข, ขัดให้รู้จักนิสัย ร, รมดูที่ว่าเราจะกำลองทำได้แค่ไหนเหมือนไหมดีไหม เสมอต้นเสมอปลายหรือเปล่า จ, จริงจังกับการปฏิบัติธรรมของตอนหรือเปล่าติดล้วคิดจะหนีกรรมจริงไหมหรือคิดจะจ้างกรรมต่อไปในโลกนี้เขามี ือให้โอกาสเราทั้งนั้นถึงจุดนี้แล้วนะให้โอกาสเราจะหนีกรรมหรือเราจะอยู่กับกรรมจะใช้กรรมหรือจะสะสมกรรมขอให้เราเปลี่ยนได้ทันทีเลยถ้านถึงบอกว่าคนที่มีธรรมะต้องประกอบไปด้วยหลักสามประการ จำไม้นะหนึ่งมีความศรัทธาในความประพฤติปฏิบัติของตนเองที่จะยกตนให้คนทุกข์ข้อที่สองต้องมีความเพียรที่แก่กล้าที่จะยกตนของตนให้ทนทุกข์ ข้อสุดท้ายนี่หมายถึงปัญญาต้องมีสติมีปัญญารู้แจ้งเรื่องราวของธรรมะที่แจ้งเรื่องราวของอารมณ์รบบเรีจจยกว่าบทของกรรมกระแสจิตของไอนี่มีลาานะักษณะธรรมะสามข้อนี้หรือเปล่าก็พิสูจน์ ในกะสิทธิ์ของตนเองขึ้นมีปัญญามีความเพียรมีความศรัทธาถ้าขาดปัญญาขาดความเพียรขาดศรัทธาเนี่ยมันก็เหมือนนกปีกหักคือบินไม่ขึ้นแน่นอน บทเรียนของธรรมะก็สอนมาตรงๆชีวิตกับจิตชีวิตคือสิ่งที่เป็นไปตามลักษณะธรรมชาติเกิดมายังไงก็ใช้ชีวิตยอย่างนั้นเจออะไรก็ใช้อย่างนั้นไปเรื่อยๆึนใช้ธาตสี่ใช้ขันห้าใช้วิญญาณ ใช้อารมณ์โลกกดหลงไม่กำหนดถึงบุญบาปทั้งสิ้นนั่นคือชีวิตที่เป็นไปทีนี้ส่วนกระแสจิตนี่หรือจิตนี่หมายถึงคนที่รู้จักชีวิตของบุคคลที่อยู่กับกรรมอย่างพุทธองค์เป็นต้นอย่างเงี้ยท่านเป็นปฐมมาเลอร์หรือว่า เป็นที่ตั้งของผู้มีธรรมเป็นประธานของธรรมเป็นประธานของจิตท่านยกจิตเหนือชีวิตแล้วจึงไม่ปล่าจิตไปตามกระแสของชีวิตกล่อ น, นั้นถ้าชีวิตจะเกิดขึ้นมาในลักษณะให้เท่าสี่กันห้าวิญญาณน้เคลื่อนไหว ทำก่อนจะพิจารณาถึงสิ่งที่เป็นไปตามชีวิตเหล่านั้นว่าควรหรือไม่ควรในอันที่จะใช้ชีวิตธรรมะพูถึงไปว่าสงบจากชีวิตทั้งหลายเราเองมีความตั้งใจที่จะกำหนดจิตของตอนเองให้พ้นจากชีวิตเหล่านั้นหรือไม่ หรือว่าจะมาทํากันเพียงแค่ให้มีนิสัยกายโดยที่ไม่สนใจกับนิสัยของจิตที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์หรือชีวิตแบบนั้นเพราะฉะนั้นถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถึงคําว่าพุโทโธเลยเนี่ยแปลว่าผู้รู้จักสิ่งที่ทําให้เกิดเป็นชีวิตหรือสิ่งที่ทําให้เกิดเป็นความทุกข์เป็นดำเป็นสรรพสัตว์ทังหลาย ป็นกำหนดเรื่องของธรรมะหรือโถขึ้นเพื่อให้เกิดเป็นความสงบเราเองที่จะให้ชีวิตขอลเรานั้นเป็นไปตามลักษณะของธรรมะแค่ไหนที่เขาเรียกว่าจิตอริยะคือสิ่งสองผู้ที่จะเินขึ้นจากชีวิตเหล่านั้นถ้าเราจะเดินนชีวิตกันต่อไปก็คงจะเหมือนกับอดีตที่แล้วมา ซึ่งเป็นบทเรียนของชีวิตเราบทเรียนต่างๆของชีวิตที่ผ่านมาในครับว่าสัตวสัตว์ทั้งหลายมีมากมายหลาย ก, กองมีทั้งมนุษย์มีทั้งสัตว์มีทั้งนรกมีทั้งเปรตอสุรกายซึ่งเป็นภาษาของพยัญชนะเป็นภาษาของคําพูด ก็ษาชีวิตเป็นภาษาที่ทุกข์ทรมานแม้แต่เราเกิดเป็นมนุษย์เราก็ยังบอกว่าทุกข์ทุกอะไรก็คงจะไม่สาหัสสาครเท่ากับทุกข์ของอารมณ์คือ ท, ทำให้คนเราติดหวังหรือสมหวังเสียใจน้อยใจคับแค้นใจ โรดเครืองอาพาตเราก็ไม่ต้องไปพูดถึงคำว่าชีวิตตัดเลขาหัดสารยิ่งกว่าชีวิตมันลดที่ไม่ได้จักอะไรเลยเพราะงั้นเล้วรามาถึงถึงตรงนี้เนี่ยคือสอนหน้าแะครับ ขององค์พระลักษณ์ไตรแปลว่าคำสอนที่เป็นแก้วคำสอนที่เป็นศักจิ์จากคำสอนที่เป็นจริงคำสอนที่มีเหตุมีผลเราก็ต้องกำหนดชีวิตของเรา รู้จักแล้วก็ได้ยกจิตของตนเองเหลือจากชีวิตก็จเรบยกว่าอารมณ์แปลว่าผู้ให้ชีวิตเรายังมีอารมณ์ก็หมายถึงการที่เราจะต้องให้ชีวิตชีวิตบุญชีวิตบาปเรียว่วการรมที่กระจายออกไปจะแม่เก่กันไป ตามบุกของการใช้อารมณ์หรือใช้ชีวิตเพ้นเหนอเกิดมาใช้เสีชีวิตของอารมณ์ตลอดโดยไม่เคยกำหนดถึงชีวิตหรืออารมณ์ตัวนั้นนั่นแหละคือสาเหตุที่จะเป็นสิ่งที่จะเพิ่มเติมชีวิตต่อไปในอนาคต เพราะนั้นทำโลบุตรลาเข้าถึงกาหนดเรื่องราวของอารมณ์ให้รู้จักคำว่าชีวิตขึ้นเมื่อเรากาหนดถึงอารมณ์ที่ทำให้เป็นไปตามชีวิตแล้วเราก็กาหนดเรื่องของการลดละหรือการปล่อยวางซึ่งเราเรียกกันว่าบทของอุปทานนะ่ะคือเรามาหลงมายาของอารมณ์ตนนี้ขึ้นอารมณ์จึงแปลว่ามายา เพื่อเปลี่ยนแปนลงไปตามประแขจิตที่เกิดขึ้นบางครั้งเราก็พอใจบางครั้งก็ไม่พอใจบางครั้งก็รัก บ, บางครั้งก็เกลียดบางครั้งก็ชังบางครั้งก็ชื่นชมเพราะนั้นผลสรุปออกมาก็าคือทุกข์กับสุขที่เรากำลังใช้กันอยู่ ถ้าเรายังไม่เข้าใจชีวิตก็หมายถึงว่าเราไม่เข้าใจอารมณ์ถ้าเราเข้าใจอารมณ์ก็หมายเข้าใจชีวิตพระพุทธเจ้าพ้นจากชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายไปหรือพระอรหันหต์สาวกทั้งหลายท่านพ้นไปเพราะท่านไม่ดาเนินตามชีวิตของสิ่งที่เป็นอยู่ซึ่งเราเรียกกันว่าโลกของสมมุติชีวิตคือสมมุติในลักษณะของคนที่ใช้กรรม หรือเกิดมารับกรรมขึ้นในภพและภู ม, มิต่างๆเช่มนมนุษย์หรือสัตว์ที่เราเห็นหรือ เ, เพื่อมนมนุษย์เดียกันมันเป็นชีวิตสมมุติเป็นชีวิตที่มี ม, มีความบริสุทธิ์คือมันมีบทของกรรมเป็นลัก มันเลยทำให้เราต้องดาเนินไปตามลักษณะของชีวิตที่มีการสะสมขึ้นในชาติปัจจุบันของตนเองถ้าเรามาพิจารณาถึงข้อนี้ให้มันเป็นสัจจะคือ ใ, ให้มันถูกต้องเราจะเป็นคนหนึ่งที่ยกตนเหนือชีวิตขึ้นเขาเรียกว่าสิ่งมหัศจรรย์ถ้าคนไหนจะยกตนของตนขึ้นออกจากชีวิตเหล่านั้น คือชีวิตสมมติสมตสมติจึงแปว่าชั่วขนาดไม่ใช่อมตาชีวิตมันเป็นของเปาเป็นประจำว่าขนาดของกรรมที่จำลองขึ้นแล้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจะต้องมีความเข้าใจถึงลักขนาดอย่างนี้ จรงใจเลือกว่าคนนั้นน่ะมีปัญญารู้จักชีวิตรู้จักสิ่งสมมุติเมื่อเรารู้จักชีวิตที่เป็นสมมุติเราก็อมาหาความรู้สึกจากธรรมะคือล่งลองรอยพระพุทธองค์ขึ้นขึ้นมันขยันที่จะบำเพ็ญตนของตนให้เป็นธรรมโดยไม่มีความเบื่อห น, น่ายโดยไม่มีความเกลียดคราน เข็นประคองตนทั้งตนให้เป็นธรรมในลักษณะตรงนี้หายสี่เมตตาตนกรุณาตนมุติตาตนเบิขาตนจิใจเป็นเรื่องของการนำคือความเชื่อพราเรายังไม่เชื่อว่าชีวิตของเรามีเป็นชีวิตสมมุติ เป็นชีวิตที่ชั่วันักเราก็าต้องเป็นไปตามชีวิตที่เราคิดนั่นเลยที่เราทำนั่นเลยเพราะนั้นบทของพระพุทธองค์จึงบอกว่าสรรพสัตวทางหลาย่อมเป็นไปตามกรรมที่ทำขึ้นที่สะสมขึ้นที่ใช้ขึ้นน็นการท้องกรรมมันเป็นการใช้กรรมมันเป็นการสะสมกรรม เพราะนั้นเราจะปล่อยชีวิตของเราให้เปลนไปตามลักษณะสรรัตว์ทั้งหลายไหมมาถึงตรงนี้เราก็จะมีการพักทวงชีวิตของตนเองขึ้นจะปล่อยชีวิตของเราไปไปตามยถากรรมอย่างที่ใช้มาเหรอหรือเราจะยกชีวิตของเราออกมาเพื่อพิจารณาถึงสิ่งต่างๆที่ตนเองอใช้ให้เกิดเป็นความเข้าใจ จะได้เอาจิตที่เรารู้นี่แหละเป็นเครื่องกําหนดของธรรมะเป็นการซักพ่อธาตุสี่ขันธ์ห้าวิญญาณของตนเองขึ้นคือให้มันเป็นธาตุธรรมเป็นขันธ์ของธรรมเป็นวิญญาณของธรรมจะได้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในชีวิตของตนเองเพราะนั้นเรื่องถึงตรง น, นี้เขาจึงได้ว่าเรื่องหนึ่งคือเรื่องชีวิต อีกเกรื่องหนึ่งคือเรื่องของจิตจิตกับชีวิตไม่เหมือนกันคนที่มีจิตคือคนที่รู้จักชีวิตดีคนที่ยังไม่รู้จักคือคนไม่รู้จักชีวิตเหมือนคนไม่รู้จักจิตก็คือคนไ ม, ม่รู้จักอารมณ์ คนที่คุกคามอยู่กับอารมณ์คือคนที่ไม่รู้จักจิตเพราะฉะนั้นคําว่าชีวิตกับจิตเป็นคําบอกกล่าวของธรรมะที่ชี้แจงแต่เราจะต้องไปกำหนดเรื่องราวทั้งสองประการนี้ให้เกิดเป็นความเข้าใจไม่เลยงั้นมายังไงไปอย่างนั้น าระพิสุไม่ชีพิสุแกโจนที่เบื่อนหน่ายต่การปฏิบัติธรรมเพราะอะไรเพราะไม่เข้าใจชีวิตไม่มีความเชื่อมั่นในคุณธรรมไม่เชื่อว่าธรร ม, มนี่จะพาหลุดพ้นแต่เราจะใช้คำว่าไม่มีบุญวัษนาเออเรามีหมดบุญแล้วมั้งเนี่ยหมดวัษนาที่จะอยู่กับธรรมะแล้ว มดปัญหาที่จะเข้าวัดเข้าวาโดยว่าเราจะลำพึงนําพันกันอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นเรื่องของคนเราที่ไม่รู้จักชีวิตจิตทายจิตเข้าไปสู่ชีวิตที่เป็นมนติหินอย่างในโลกตุตระเขาบอกว่ามนติหินจกกับกรบพักคือถ้าสี่ขันธ์ห้าวิญญาณไมมีบนทิมจัดเรื่องราวของกรรม <c oughs> ใ่ถ้ากระดังย้อนมันถึงาำ่าผู้ฉลาดรู้จักชีวิตแล้วก็ปัดกวาดตัวเองแยกตัวเองอขึ้นเําไม่เคยเรียกเรามาเพื่อให้มาชมดมในลักษณะมาเห็นแจกกินหรือือมาให้กินมาให้นอนมาให้ยอกย้อนอารมณ์ พระองค์ท่านเรียกมาเพื่อจะชี้แจงให้เกิดเป็นความเข้าใจจึงเรียกว่าองค์พักควาแปลว่าผู้แจกผู้จะแม่เรื่องราวของชีวิตกับจิตที่อยู่กันยังไงจิตเขาจะไปไหนชีวิตอยู่ยังไงท่านดีงจะแมกคำว่าคดีโลกคดีธรรมหรือคนที่พ้นโลกคนที่อยู่ในโลก ให้เราได้กำหนดขึ้นสร้างธรร ม, มะบางทีสร้างแต่กายแต่ใจไม่สร้างรู้จักแต่กายธรร ม, มะแต่ไม่รู้จักปัญญาไม่รู้จักปัญาจิตของธรร ม, ม ะ, ม, รรร ม, ม, ะม่เลยปะาตนขึ้นเราบุตรละก็ต้องการคนจริงคือจิตของตนที่จะพ้นจากชีวิตแบบนั้นจริงๆมีบ้างไหม ที่เชื่อว่าทำหลุดพ้นมีจริงกรรที่หมุนเวียนมีจริงถ้าเราเชื่อว่ามีจริงแล้วก็คอยขว้ากันเองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาเป็นลนักษณะตัวเชื่อมตัวนํารู้เองเห็นเองเชื่อเองทำเองไปเองใน้องไปเรียนนี่มันจบประจับิดกก็ได้ ไม่ต่อไปเรียนนี่ถึงเป็นนักป่าเป็นบัณฑิตก็ได้เือยากจะให้รู้ว่าชีวิตคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาปะปนกันในธรรมะเพื่อเกิดเพื่อนตายเหล่านั้นกับกระแสจิตที่พ้นประจักชีวิตเนี่ยเข้าใจไหมถ้าเข้าใจไปได้ไปในลักษณะเฉยนะ่งไม่ใช่ไปในลักษณะลุกลีลุกลน ไม่เคยไปในลักษณะหมู่สัตว์ทั้งหลายที่ชวนกันไปแล้วแต่ใครจะเห็นจึงเรียกว่าปัจจดตังของธรรมะที่เกิดขึ้นในกระแสจิตเนี่ยจึงได้เน้นถึงคำว่าชีวิตกับจิตให้ฟังวันนี้เรายังมีเวลาที่จะ ก, กล่องเรื่องราวชีวิตกับจิตกันอีกเยอะถึงเราจะต้องไปกำหนดให้เข้าใจ ชีวิตเขาจะแปลว่าสิ่งที่ไม่จริงจังไม่มีชีวิตแบไหนที่จริงจังเหมือนกับหุ่นไลากาที่ตัง้งในทุ่งนาถึงวันถึงเวลาหุ่นไลากาก็ละลายไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะอยู่ในชีวิตอะไรอยากหรือมีโจนเศรษฐีกี่ค่า มีลาบมียศไม่มีลาบมียศ อ, อะไรก็ช่างเป็นชีวิตที่ตั้งอยู่ไม่นานไม่ถาวรเป็นชีวิตที่เหมือนกับแสงอาทิตย์เดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็มืดท่านีกํากำหนดคำว่าชีวิตของผู้มีทุกข์ขึ้น และโดยเฉพาะเขมาเน้นทึงาว่าทุกของอริยสัตว์ที่ตนเองได้ทำโดยไม่รู้คือตัวอารมณ์ผู้ปฏิบัติอาจจะเปื่อเรื่องราวของคำว่าอารมณ์ที่บรรยายหรือที่แจ้งก็ได้จะยันลืมอารมณ์ตนนี้เป็นตัวประหารเป็นตัวที่ทำให้เกิดเป็นชีวิตต่าง ดูแต่ชีวิตของมนุษย์ที่เกิดมาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้วการสะสมอารมณ์กรรมของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันการปรุงแต่งของการที่กําหนดสังขารคนก็ไม่เหมือนกันอีกหรือบางทีมันก็ตัดล้องขึ้นมาซะงา่ายๆคือให้ทุกข์ให้ทรมานได้คำว่าโลคาพยาธิ ตรองเจ็บต้องไข้ต้องป่วยต้องเป็นโรคนั้นโรคนี้เป็นอัมาพาตเป็นอะไรต่ออะไรกันไปอย่างเงี้ยต้องแขนขาดขาขาดพิโกมพิการเป็นคนบ้าคนบอพิโกนจริตนั่นคือลักษณะกรรมตัดรอจชีวิตของสัตว์ถ้าเรายังคิดว่าชีวิตนี้ยังให้ความสุขแก่เราได้ ชีวิตนี้ยังมีความหวังที่จะมีความสุขความเจริญในตรงนี้นะวันนี้ยนะอย่างที่ทําเขาบอกว่าเราเชื่อหรอว่าเราจะเป็นมนุษย์อย่างนี้เสมอไปเชื่อว่าชีวิตเราจะเป็นมนุษย์อย่างนี้เสมอไปในเมื่อเบาของกรรมยังมีอีกมากมายที่เราคอยชีวิตของเราที่จะตกหล่นไปกับคำว่าหมู่สัตว์เหล่านั้น ดังนะั้นผู้ปฏิบัติต้องต้องเคร่งครัดในเรื่องของอาการใช้วิจารยณคือการพิจารณาให้มั่นคงให้มีปัญญาให้มารู้เท่าทันเรามาเจอทางแก้วบอแก้วเรียกว่าทางหนีทางหนีทุกทางหนีเวรหนีกรรมแล้ว เรายังคิดที่จะหนีทางเส้นนี้ไปสู่เวรกรรมอีกหรือเนี่ยต้องทับทวชีวิตแล้วหรือเราจะไปหรือเราจะอยู่มันก็ขึ้นอยู่กับชีวิตของเราขึ้นอยู่กับจิตที่เราอยางถึงไม่ถึงคือไม่มีใครก็ห้ามหรอกที่จะไปมีเวรมีกรรมแล้วก็ไม่มีใครเขาห้ามที่จะพ้นเวรผลกรรมอีกด้วย เพราะนั้นคำมากถึงแปลว่าคําสอนที่เป็นกลางใครมีสติมีปรรัญญารู้เท่าทันก็ไปกันไม่มีสติมีปรรัญญารู้เท่าทันก็อยู่กันไปชีวิตนี้ใครช่วยใครไม่ได้เพราะทุกคนเกิดมาใช้อารมณ์หมดทุกคน มีอยู่องค์เดียวเท่นานั้นที่ไม่ใช้อารมณ์คือพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันต์ที่สำเร็จถ้าเกิเพ ย, พยายามมาถึงจุดจจจหมายปลายทางแล้วพรนะบทใหม่บทเก่าไม่ชีใหม่ไม่ชีเก่าโยกให ม, ม่โยกเก่ากำหนดกันดีๆนะนะเรื่องของอารมณ์ตัวเนี่นะ ดูทั้งน่ะหมาที่เลื้ยนมันวิ่งคลานไปอยู่ตามบ้านตามวัดตามถนนหนทางเป็นไงชีวิตคนบ้าแก่ท่าแก่พรวิ่งขั้นขืนกาหาสนะจนต้องเก็บต้องต้องจะต้องกําหนดตั้งขึ้นว่าเอาไวต้ตรงไหนดีคนบ้าคนวิกลจริตคนเป็นโรคต่างๆ หอยเปรียเสียขาที่ทูล ก, กุดทั้งสวรพั์ของโลกจะเกิดแล้วเรานี่ปลอดภัยไหมถ้าเราจะเดินไปตามชีวิตแบบนั้นเราต้องถามตัวเราเดี๋ยวหวังเลยว่าจะปลอดภัยจากชีวิตที่เขาเรียกว่าเบ้าที่รอการรออาการเกิดของของคนที่มีกรรม เพนั่นก็เล่งเอเล่งยกตนให้พ้นทุกข์ขึ้นมานั่นความเป็นนักบวชหรือวัดวาอารามก็คือสถานที่กําหนดขั้นคำว่าทุกข์แล้วก็การมพ้นทุกข์ไม่ใช่บวชหรือว่าวัดวาอารามนี้กําหนดหรเรื่องความทุกข์หรือมามาม า, มาสร้างทุกข์มาสร้างกรรม ทุกองท่านชี้แจงธรรมะหรือว่าเปลนตอนมาเป็นนักบวชก็เพื่อให้เป็นมุมหนึ่งของคางว่าพ้นทุกข์พ้นกับชีวิตที่ที่ใช้กันมาหรือปากกนกันมาวัดเจริญธรรมน่าจะเป็นวัดที่ที่เป็นเปนจิตที่เจริญนะ เป็นจิตที่รู้จักชีวิตแต่ก็ยังมีจิตที่ไม่รู้จักชีวิตอีกเยอะจิตที่ยังชีวิตที่ยังเห็นแก่ริงแ ก, แ ก, แก่นอนอีกเยอะที่ทะเยอทะยานกั อ, อีกเยอะแต่จิตที่กาหนดตนเองให้พ้นทุกข์ก็มีอีกเยอะเหมือนกันแล้วแต่ลอ นันหนึ่งนะจติตัองเราจะประกาศคำว่าเอกลาภหรือคำว่าธาตุแทนแต่ตนเองในเมื่อเขามาพิสูจน์ว่าอ๋อจิตตรงนี้นี่เกิดมาชาตินี้สร้างแต่ผลของธรรมะเร่องว่าการกระทาจิตคนนี้สร้างแต่อารมณ์กรรมและตัวกระทาเขาจะไปสูตร คนที studios, anya, ่รู้จักจิตรู้จักชีวิตนี่คือคนที่อยู่ตรงนี้เท่านั้นแหละคืออยู่ที่ยี่ที่อยู่ต่อหน้าธรรมะแต่คนที่ไม่อยู่ต่อหน้าธรรมะนี่คือเราไม่ต้องไปพูดถึงว่าคนเหล่านั้นรู้จักชีวิตหรือรู้จักจิตเหมือนดยงเราสมัยที่ยังไม่บวชไม่เรียนไม่เคยรู้จักธรรมะรู้จักแต่คำว่าวัดหรือศาสนาเราใช้ชีวิตกันย่งงก็ใช้ยังไงก็ใช้ยงไง ถ้ามาใช่ยังไงก็ใช่อย่างนั้นวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าเป็นปีเป็นสิบปียี่สิบปีสามสิบปีบางคนนี่ตั้งสี่สิบห้าสิบปีเจ็ดหกสิบเจ็ดสิบยังไม่รู้จักชีวิตเลยเราเพิ่งจะมารู้กังตรงนี้แล้วมารู้ตรงนี้แล้วจะทํายังไงต่อไปขอให้ผู้ปฏิบัติกําหนดกันให้ดีๆ อัตตาหิษนะตอนของตนต้องทำให้เป็นที่พึ่งของตนล่ะทำดีก็ได้ดีล่ะทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีไม่ใช่ทำดีแล้วไปได้ไม่ดีทำไม่ดีมาได้ดีเหตุเหตุออกมาอย่างไงผลต้องออกมาอย่างนั้นเหตุดีก็ต้องได้ดีเหตุไม่ดีก็ต้องได้ไม่ดีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สลับกันไปสลับกันมา ห้าห้าสวรรค์วิถีเนี่ยคือคนที่จิตรู้จักชีวิตแล้วยกคุณห้าขึ้นมาเป็นสัจจะยกขันห้าขึ้นมาเป็นลักษณะเดินตามเนี่ยเขาเรียกว่าห้าห้าสวรรค์วิถีห้าหนึ่งยังไม่รู้จักห่าหนึ่งยังไม่ติดตามคือยังไม่รู้อะไรเลยก็เป็นนั้นว่าจบกันตรงนั้นแหละ ผาเหลืองปราขาวเป็นเรื่องราวของการบ่งบอกว่าเป็นผู้รู้จักชีวิตแล้วจึงได้หนีมาหนีชีวิตแร้วนั้นมาอยู่ตรงนี้ถ้าหมผ้าเหลืองผ้าขาวไม่รู้จักชีวิตชีวิตมันก็ติดตามมาตรงนี้แหละชีวิตตรงโน้นมันก็าตามมาตรงนี้ชีวิตข้างหลังก็าตามมาทางด้านไม่ผิดกันเลย ไม่รู้ว่าจะเป็นไปตามลักษณะที่บรรยายหรือเปล่าคือผู้ปฏิบัติจะเข้าใจไหมในคำบรรยายเพราะทาหลักนี้เ็าเรียกว่าทาถอดมองกุฎถอดชดามงกุฎนี่เ้าหมายถึงพวกชีวิตต่างต่างตั้งแต่คนยากคนจนเศรษฐีอะไรเขาเรียกว่าชีวิตมงกุฎที่มีลาบมียศเป็นหลัก นะชีวิตของกุเนี่ยนะถือรล่าถือยศถือตัวถือตนเป็นหลักสดามีขหมายถึงพวกทิอ่าพวกลัดทิพวกถืออะไรต่อมีอะไรกันมากมายใส่ซองในโลกเสนถือผีถือสางถือเจ้าพ่อเจ้าแม่ถือเครื่องรางของขลังถือกาบเพ็งตนเป็นโยคะอะไรเงี้ยถือลึกิถือเดช มีพวกชดาเขาจะถามมาทั้งสองพวกมีไปได้ไหมเนี่ยไปไม่ได้ทั้งพวกเดียวถ้ามกุกก็ไปไม่ได้ชดาก็ไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะม่ปกดเรื่องเรื่องของอารมณ์นั่นเองธรรมะเขาต้องการให้คนเราปลดอารมณ์ อาลมณ์นี่มันทำให้จิตเราเป็นทาต